พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้อยลำดับที่สิบหกโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายน2 5 5พันห้า้อยห้าสิบมีชื่อเรื่องว่าฝึกใจให้เห็นภัยวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ด กันยายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นผมในมน์เรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพราะไม่อีกไปกี่วันไม่ถึงเดือนควรจะออกพรรษาแล้วเพราะดันพวกเราควรจะเตรียมอะไรไว้แต่เนิ่นๆหรือพูดทำความเข้าใจว่ก่อนที่จะออกพรรษาไว้แต่เนิ่นๆ พวกเราจะได้เรียนได้ศึกษาได้ท่องบนสาธยายเพื่อไม่ให้มันคุกคลักวันนี้เป็นวันที่27แล้วก็วันที่16เป็นวันออกพรรษาของพวกเราแล้วก็คงจะมีการประวารณาก่าวคำปรวารณาถ้าผู้เรียนง่ายก็ไม่มีปัญหามันง่ายนิดเดียวแต่ถ้าว่าผู้เรียนยาก มันก็พอสมควรเหมือนกันนะหลายบรรทัดเหมือนกันคำสาธยายประวารณาพวกนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเตรียมพร้อมนะตั้งแต่บัดนี้แหละท่องคำประวารณาไว้เพื่อไม่ให้มันติดขัดในถึงเมือกถึงวันนั้นและก็พร้อมกันก็พวกที่เกี่ยวเนื่องกับกระิน เป็นองค์อุปโลกใครเป็นองค์สวดยติกระถินก็ได้ยินว่าพวกท่านทั้งหลายได้หาหรือกันแล้วก็คงคิดว่าคงจะลงตัวกระถินก็เป็นวันที่ยี่บสาตุลาคมออกพรรษาวันที่สิบหแล้วกระถินวันที่สิยสสาตุลาคมพุทธศักราช2559ห้าสเก้า เป็นวันปียากวันนั้นและกับกรถินวัดป่าบัานตาดวันที่ยี่สิบสองพวกเราเอาหลังกรถินวันหนึ่งกรถินวัดป่าบัานตาดวันหนึ่งแล้วก็คงจะมีการหยุดชดเชยอีกวันที่ยี่สิบสี่อันนี้ก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายเตรียมพร้อมอย่าได้ขาดตกบกพร่องเพราเราอยู ด, ยด้วยกันหลายองค์ ผมเองไม่อยากจะเห็นหมู่พกเพื่อนเพราะนั้นตึงเตือนไว้แต่นน่นให้พวกเราเตรียมพร้อมเอาไว้แต่ที่ผ่า น, านมาในพรรษาก็ไม่มีอะไรรู้สึกว่าหมู่พกเพื่อนกันตั้งอกตั้งใจกันพอสมควรตามอัตภาพผมทุกผมเองที่เป็นหัวหน้าก็ไม่ได้หนักใจกับหมู่พกเพื่อน ที่มาจมํารรษาในปีนี้แต่ถึงยังไงต่อไปภายภาคหน้าวันพุงน่งนี้มัรือนี้อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเนี่ยมันพร้อมที่จะเกิดได้ตามว่าพวกเราไม่สํารวมระวังตามว่าพวกเราสํารวมระวังอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดความชว่วยเสียหายขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ สัมมกายว า, ายาใจของตนเองอยู่ตลอดอะไรจะเกิดล่ะถ้าเมื่อเราเมื่อเราสัมโมใจของเราแล้วเพราะนั้นที่ผ่า น, านมาผมเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าที่เป็นดูแลหมู่พวกเพื่อนก็ไม่มีอะไรหนักใจนะก็ขอให้หมู่พวกเพื่อนทั้งอกตั้งใจภาวนาเพราะเมื่อเวลาของเราอย่างน้อย น, นิดเดียวเองเมื่อ ควรจะออกพรรษาแล้วก็ปล่อยปน่นละเลยผมก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันบางยุบบางการพอจะออกพรรษาแล้วก็ชอบคุยกันโม้คุยกันมันน้ำไม่น่าจะถูกการโม้การคุยกันหรือว่า ก, การสนทนากันในช่วงที่สันน้ำํำในช่วงที่บิณฑบาตก็น่าจะเพียงพอการนอกจากนา้นก็เป็นช่วงประพฤติปฏิบัติ เล่นภาวนาเข้าเพื่อจะได้รู้แจ้งเหตุจริงรู้มักรู้ผลรู้จิตรู้ใจรู้แห่งความสงบจิตที่เป็นสมาธิเป็นอย่างไรพวกเราท่านทั้งหลายควรจะขมักขมเณรมาจึงจะถูกไม่ใช่ว่าชวนจะออกพรรษาแล้วก็ปล่อยปาละเลย อันนั้นไม่ถูกนะพระลูกพระหลานทั้งหลายนะเราจะหาโอกาสถือเวลาอย่างนี้ไม่ใช่ของหาได้ง่ายง่าที่จะมาบวชอยู่ในวัดป่ารงพงไพ่ยอย่างนี้พอออกจากนี่ไปแล้วก็หมดโอกาสละ่นเมื่อไรเราจะมีโอกาสอย่างนี้มันหาไม่ได้แล้วในเมื่อเรามีโอกาสอย่างนี้เราก็ศึกษาเรื่องพระธรรมคำสอนศึกษา ตื่นพุทธะเตือศึกษาแนวปฏิบัติของพ่อแม่กูบายอาจารย์พาดาเนินมาพวกเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยจากนั้นก็เมื่อผ่านจุดนี้ไปช่วงนี้ไปมันก็เป็นอดีตไปละพวกเราก็ตี่จะหวนกับหรือเล่าลงมือประพฤติปฏิบัติ อ, อีกหนะลวงพ่อมอง ว่ายากที่เดียวนะพาลูกพาหลานทั้งหลายอันนี้ก็คือสำหรับพระลูกพาหลานที่เขามาบวชเป็นนว ก, กะแต่ผู้ที่จะบวชเป็นตลอดไปเลยอันนั้นก็ยิ่งใส่ใจยิ่งขำำมักขมเอนยิ่งตรวจราดูตนเองขาดตกปกพ่องตรงไหนอย่างไร นะคือเป็นเราเป็นนักมวยอาชีพะแะต่บวชชั่วครั้งชั่วคราวบวชซ้ำเลยนะเป็นนักมวยสมัครเล่นแต่เราเป็นนักมวยอาชีพเราจะไปช่าใจไม่ได้เสียมวยเพราะนั้นเราต้องขมักขมันในการประพฤติปฏิบัติของตนเองตรอด ถ, ถึงเรื่องศีลกฎระเบียบเราควรปฏิบัติตนอย่างไร จากนั้นก็เรื่องภาวนาเราปฏิบัติกับตนเองเข้มงวดกวดขันอย่างไรเป็นที่พอใจหรื อ, อยังที่เราบวชเข้ามานมนานถึงขนาดนี้ใจของเราได้รับความสงบเป็นที่พอใจหรื อ, อยังสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องตรวจตรามอง ด, ดูตนเองไว้อยู่ บ, บ่อยๆและว่าเสมอเสมอ เพื่อมาให้เราลืมตัวไม่ให้เราชลาใจอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้เรามองดูตนเองปฏิบัติตนเองในเมื่อต่อไปภายภาคหน้าหมู่พวกเพื่อนถามเราจะไม่เกรเริดเกเขินเก้อเขินในเวลาภายหลัง เขาบอกเขาถามเรื่องสมาธิเรื่องถามเรื่องปัญญาถามเรื่องหลักพระธรรมวินยัยอย่างนี้เราก็ตอบได้เพราะเราได้ศึกษาเรียนรู้และก็ปฏิบัติทั้งกิจภาวนาด้วยถามมาอย่างไงเราก็ตอบพร้อมที่จะตอบหมู่พกเพื่อได้เพราะเราใส่ใจสนใจเราไม่ได้บวชมาเพื่ออย่างอื่นเราไม่ได้บวชมาเพื่อเรียนวิ ช, ชาอย่างอื่น เรามาเรียนพิกษาเรื่องจิตภาวนาเพื่อจะถอดถอนกิเลสภายในใจเพื่อหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารในมุ่งความมุ่งหมายมุ่งมั่นของเราจะไม่มาขอเวียนไหวตายเกิดอีกขอให้ได้สําเร็จเป็นพระขันธ์หรือไม่ได้สําเร็จเป็นพระรขันธ์ก็มีเป็นพระอริยะบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่ง ปัโสดาบันพัสกธาคาอน า, าคาก็ยังเป็นผู้มุ่งมั่นจะไม่หลงละเลยอยู่ในโลกวัตะสงสารต่างว่าพวกเรายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นไม่เป็นที่ไว้ใจของตนเองไม่รู้ว่าจะพบล่องรอยไปที่ สถานที่ใดออหลมตุมปองอยู่ที่ในโลกวัฏสงสารนานเท่านานไม่รู้นานจากเท่าไหร่วันนั้นพวกเราได้พบมาในพบมาพบมาเจอพระรรมคำสอนอย่างคราวนี้ครั้งนี้แหละได้ศึกษาธรรมะทำคำสอนของพุท ธ, ธะเราก็ควรจะใส่ใจขมักกระม่นแล้วก็ ต้ อ, อกตั้งใจพุทธปฏิบัติอย่างจริงจางและจริงใจมันจึงจะถูกนะผมว่านะก็อย่างที่ผมเคยเล่าอย่างท่านพระพายฮิยะทารุจริยาท่านบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสจปะในโค้งสุดท้ายเหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้ากัสจปะปรินิพานแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก่อนนะนาณาจิตตานานาทัต t h พวกบางพวกสแสวงหาลาภหายศหาจันเสริญนอกลู่นอกทางผู้ที่หวังพ้นทุกข์ในวัตะสงสารมองดูแล้วผมทำไมพระหยาบโลนเหลือเกินทำไมไม่สศแสวงหาทางพ้นทุกข์เพราะหลักทำคำสอนของพุท ธ, ธะเจ้ทาท่านก็วางไว้ก็ยังเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะเดินตามมักตามผลได้อยู่แต่ทาไมพระ ออกนอกลู่นอกทางท่านมองเห็นแล้วท่านก็เกิดความสลดทางด้านจิตใจท่านก็ประกาศหาสมัครพักพวกของท่านก็เลยออกพากันชวนเข้าไปในป่าดงพงไปขึ้นบนภูเขาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราท่านทั้งหลายได้มาพบมาเจอทําคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทําคําสอนของพระพุทธเจ้า ยังมีร่องรอยยังมีหลักฐานาที่จะให้พวกเราเดินถ้าจะว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ไม่น่าจะผิดเพราะแนวอริยสัจสี่ทุกส์สมาทยนีิโรดมักสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4ีกายเวทนาจิตธรรม อ, อริยสัจสี่มักแปดยังสมบูรณ์บริบูรณ์ ถ้าเรามานำมาพิจารณากันกองไตรตองดูแล้วที่หลักหัวใจของพวกเราจะนำมาประพุทธปฏิบัติแต่ส่วนอื่นไม่ต้องว่ า, าคือเรื่องกฎระเบียบศีลวินัยนอันนั้นก็อาจจะเลือนลางไปบ้างแต่แนวอริยสัจ ท, ที่พระองตรัสไว้ เรานำมาพิจารณาพิพกซ้ายพิกขวาพลิกหนา้าพลิกหลังกันกองไตรตรอง้วยเหตุและผลอย่างไรเราก็ยังว่าหาตําหนิไม่ได้ไป็ว่าของจริงในความรู้สึกของเราแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็พิสูจน์วิเคราะห์มาแล้วท่านก็มั่นใจอีกเหมือนกันพอได้ามาถึงจุดของเราเราก็ควรจะ สนิทใจได้ตายใจได้กับพิสูจน์อีกเหมือนกันการตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินผมคิดว่าพวกเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้ทีเดียวเพราะเหตุไรเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ยังสดสดร้อน ยังเห็นท่านเห็นท่านอยู่อย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นนั้นเรายัางไม่เห็นท่านแต่หลวงตามหาบัวหลวงปูล่ล่าอูบายจารอารุ่ณลูกชิ์ลูกหาองค์หลวงตาเราเห็นท่านประพุทธปฏิบัติแล้วผลในสุดท่านก็ได้จากไปกระดูกอัธิธาต์ของท่านก็เป็นสักีพยานแห่งบอกบ่งถึงความบริสุทธิ์จุดพ้นจากอาสวะกิเลส ในพวกเราน่าจะตายใจได้น่าจะเชื่อเชื่อถือได้แนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแต่ทึงยังไงก็ขอให้พวกเราเมื่อรู้เห็นตามแนวแถวที่ท่านแนะนำบอกกล่าวสอนที่พวกเราได้ศึกษาดูแล้วควรเราก็ควรจะเดินด้วยสติด้วยปัญญาของเรา จะตั้งอยู่ในความประมาทตั้งองกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติมรรคผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนอยู่กับกับอยู่สําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ห่างไกลจากพวกเราแต่ว่าพวกเราประพฤติปฏิบัติแล้วมรรคผลนิพพานอยู่แค่เอื้อมผลที่สุดก็เป็นสมบัติของพวกเรา อีกสักวันหนึ่งเพราะเราเพราะเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามเองจะต่อถอนกิเลสภายในใจของเราอยู่ทุกขณะอยู่ทุกเวลาจะ่าจะเอ า, จ ะ, เอาจะว่าเกือบจะว่ า, ว า, ว า, วาไม่เผยนะมองดูเมื่อไร่ก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามองดูเมื่อไหรก็เห็นเกิดแก่เจ็บตายมองดูเมื่อไรก็เห็นร่างกายจะต้อง นอนทับผถมแผ่นดินเป็นอสุภะปฏิปูลอีกสักวันหนึ่งมองดูเมื่อไรเราคำว่าความสุขสีวิไลของพวกเรามองดูแล้วไม่มีในหัวใจของเราเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายที่ผมที่ผมพูกให้ฟังเนี่ยมันจริงไหมในเมื่อมันจริงนั้นเราก็พยายามคิดนึกคิด ชีวิตของพวกเราเป็นยังไงความสุขหาได้ที่ตรงไหนทานอาหารอร็จอร่อยใช่ไหมทานอาหารที่ถูกใจใช่ไหมนอนหลับสบายใช่ไหมมีปัจจัยสี่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนั้นใช่ไหมท่านเราไล่เลียงดูแล้ว นั้นเพียนความสุขประเดียวประดาวเป็นความสุขเพียงความพอใจเท่านั้นเองแต่อีกสักหน่อยหนึ่งมันก็ไม่พอใจแล้วมันพร้อมที่จะไม่พอใจเกิดขึ้นอย่างเราทานอาหารอิ่มเพียงพอแต่เราเดินทางไปไปกับรถกับราไปหาที่ปั๊มน้ามันหาที่จอดไม่ได้ ที่จะเข้าห้องน้ําห้องส้วมก็ไม่มีอย่างเราไปประเทศอินเดียเลยมันไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะมันหาที่ขับถ่ายมันไม่มีนั่นแหละความสุขเมื่อฉันเมื่อดื่มเมื่อรับทานมีความสุขแต่มันพอมันจะออกไปข้างลา่างแล้วมันหาความสุขไม่ได้ลนะเพราะวัติภาวนนี่แหละ สิ่งหลังทั้งหลายทั้งปวงนี่สุขอยู่ในโลกที่หลวงพ่อพูดที่ผมพูดให้ฟังอันนี้คือสุขอยู่ในโลกมันสุขอย่างนั้นสุขขนาที่ความพอใจได้รับได้ทานได้กินได้อิ่มแต่เมื่อมันจะออกไปข้างล่างขาวนั้นเป็นทุกข์มหันที่เดียวเพราะนั้นเราจะว่าความสุขตลอด อนันตการความสุขทั่วไปถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วก็ไม่น่าจะใชอยอีกเหมือนกันเราขอให้พวกเราทุกๆู่ทันนะแต่พูดทั้งนี้ทางนั้นเราชี้ประเด็นให้ฟังว่าการเป็นอยู่ความสุขความทุกข์อยู่ในโลกนะมันเป็นยังไงบ้างถ้าเราได้พิจารณาการกรองไตรตวงด้วยตัวเหตุด้วยผลแล้วเราจะเห็นด้วยสติด้วยปัญญาของเรา เราจะไม่หลงลืมตัวเราจะรู้เท่ารู้ทัน ร, รู้เรื่องของโลกวัตฏสงสารถึงจะเกิดบหนายชาตินาก็ตามถึงจะเกิดชาตินี้ก็เถ อ, อะมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดไปเกิดบหนายชาตินาก็คงจะเป็นอย่างนี้อีกเ ก, กี่กี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนชาติก็คงจะเป็นอย่างนี้อีกเพราะนั้นความสุขตัวนี้นะ่ะ บางทีอาจจะร้ายแรงกว่านี้เรื่องความทุกข์พระนกรอยพวกเราทุกๆกท่านนะถ้าพยายามตัดทอนกิเลสภายในใจของเราให้ได้เร็วที่สุดชำระใจของตัวเองให้เร็วที่สุดกําจัดโลภโกรธหลงภายในใจของเราให้ออกจากจิตจากใจของเรานั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดพระนกรอยพวกเราทุกทุกท่านการภาวนาการประพฤติปฏิบัต ไม่มีอย่างอื่นนอกจากทําให้สม่ําเสมอทําให้สืบเนื่องทําให้สม่ําเสมออย่าปล่อยจิตปล่อยใจอย่าหลงละเลยในการแนวความคิดการเป็นอยู่ของตนเองให้ภาวนาเราจะยึดอะไรพุทโธเป็นสมถะเรื่องสมถะเราอย่ามองข้ามเด็ด สมะคือทำจิตใจให้สงบจุดนี้เป็นจุดที่เป็นเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องแรกในการเดินมักถ้าว่าจิตใจของเราไม่ได้รับความสงบจิตใจไม่เป็นสมาธิเลยเราย่าหวังที่จะเดินทางวิปัสสนา้าเดินไปกัแบบสเปะสปะเป็นสัญญากสังขารมากกว่า สังขารคือสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งในจิตในใจของพวกเราเพราะด้า น, นในพวกเราพยายามทำจิตใจให้เป็นสมาธิแต่ถ้ามันไม่เป็นสมาธิเะเลยเราจะเดินปัญญาได้ไหม ห, หลวงพ่อเอออันนั้นถ้ามันไม่เป็นสมาธิเะเลยมันยังเคว้งคว้างอยูอ่เราก็อาจจะใช้แบบ องหลวงตาที่ท่านพูดว่าปัญญาอบรมสมาธิใช้แนวนั้นก็คงจะได้ทํายังไงปัญญาอบรมสมาธิคือให้เราเมื่อทําจิตได้ให้สงบเป็นหนึ่งไม่ได้จิตใจนิ่งไม่ได้เราค่อยค้ามทําให้ใจใจมันคิดคิดให้มันปรุงอยู่ในร่างกายของเราช่องบนแบบสนช่องบน สาทยายก็ได้เกษาผมให้ใหดูกําหนดดูผมเห็นผมโลมาขนก็เห็นขนของเราหน้าขาเล็บก็เห็นเล็บของเราทันตาฟันก็เห็นฟันตะโจหนังก็เห็นหนังล้อมรอบร่างกายมังสังเนื้อถ้าตลกหนังออกไปก็เห็นเนื้อเห็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสเลตน้ําเลือดน้ําปัสสาวะ ในที่สุดอันนี้ให้เราเห็นร่างกายเอถ้าเห็นร่างกายอาพิจารณาไม่ใช่ครั้งเดียวนะย้อนไปย้อนมาย้อนขึ้นย้อนลงเห็นร่างกายเพราะในสุดเห็นจุดไหนที่ชัดเจนในความรู้สึกในกรรมฐานที่เราสาธยายไปนั่นน่ะเก็บสาผมเห็นผมหรือเห็นขนหเห็นเล็บหรือเห็นฟัน ไดเห็นหนังไดเห็นเอ็นเห็นกระดูกกระดูกท่อนไหนที่เห็นเราเราเห็นได้ชัดกระโหลกศีรษะจะไหมฟันจะไหมอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเห็นในความรู้สึกจิตใจมันเน่งจิตใจมันจุดนั้นเห็นจุดนั้นในเมื่อเห็นจุดใดจุดหนึ่งที่มันชัดเจนในความรู้สึก ก็เอาสติจับจุดจุดนั้นไม่ให้มันเคลื่อนไปที่อื่นจ่อแล้วจุดจับจุดจุดนั้นแล้วจ่ออยู่จุดนั้นเห็นกระดูกท่อนไหนเห็นหนังตรงไหนเห็นแผ่นกระดูกตรงไหนเห็นตับเห็นหัวใจตรงไหนแล้วเห็นอะไรในร่างกายที่อาการสามสบสองนั้นนำมันเห็นจุดนั้นเอาจิตใจหยุดจดจ่ออยู่จุดนั้นจุดเดียวไม่ให้มันไปทางอื่นเลย เพราะเราพิจนารณาไล่เรียงมาตั้งแต่หัวจุดเท้าตั้งแต่เจ้าจุดหัวหัวจุดเท้าไล่เรียงมาอยู่ตลอดแต่บัที่มันเห็นชัดเจนเองเอวัยว ะ, วะอันใดอันหนึ่งในร่างกายของเราเราก็เอาจิตหรือเอาใจของเราหรือเอาความรู้สึกตัวนั้นตัวที่มันนึกคิดปุ่งฟุ้งตัวนั้นเอามาจดจอ่อยู่จุดนั้นให้มันเน่งอยู่จุดนั้นถ้ามันเห็นอยู่จุดนั้น จ่ออยู่จุดนั้นไม่ให้มันขยับไปที่อื่นในเมื่อใจของเราอยู่ในจุดเดียวมันไม่ขยับไปที่อื่นใจของเราก็จะเน่ง เ, เข้าสู่ความสงบพอใจของเราไม่ได้ปรุงไปทางอื่นพอเน่งจิตใจสงบเน่งขึ้นมาขนาะจิตกสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็ปล่อยวางตรงนั้นไม่มันก็ไม่เด้ ดูแต่มันดูใจท่านเองเนี้ดูความรู้สึกนึกคิดตนเองปล่อยวางจุดนั้นมันดูใจท่านอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิใช้ปัญญาคือความนึกคิดความปรุงฟุ้งดูแต่มันแม้อยุ่นออกนอกขอบเขตให้มันคิดอยู่ตามแนวเขตของร่างกายแต่ให้เห็นร่องร่างกาย ร่างกายของเราจะให้หนีออกจากร่างกายอันนี้แปลว่าเมื่อจิตใจของเราเห็ น, น, น, นแล้วก็จุดหยุดจุดจ่อจุดจุดนั้นในเ่าปัญญาอบรบสมาธิก็ททำให้จิตใจเป็นสมาธิจิตใจเป็นหนึ่งได้อันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะถ้าว่าจิตใจของเรากำหนดลมหายใจเข้าออกมันก็อยู่นิ่งแต่มันไม่ปุงฟุ้งไปทางไหน กำหนดลมอยู่หายใจเข้าพุดหายใจออกโทอย่างนี้หรือเราไปหาหมอหมอเขาบอกว่าหายใจเข้าลึกๆอย่างนี้เราทดลองหน่อยสิทำไมมันหายใจของของเราเนี่ยทําไมมันจึงกำหนดลมหายใจไม่ออกไม่ได้เราก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆไปถึงปอดของเรา แล้วก็ปล่อยลมออกมาแล้วก็หายใจเข้าลึกๆพดแล้วก็ปล่อยลมออกมาโถเอาทดลองเลยสิเป็นสักสิบยี่สิบครั้งเป็นยังไงในเมื่อหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกมันก็คงจะรู้เา ว, วิธีการกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ย เป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแนวทางสำหรับพวกเราให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในเมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักจิตใจมันจะรวมเข้ามารวมเข้าม า, เ, เ, น เ, า, มาเน่งเข้ามาเน่งเข้ามาได้เลยจนเป็นหนึ่งจากนั้นจิตใจก็รวมสงบ อันนี้เรียกว่าคณิกะอุปจาระอปะนาที่เจ็ดที่จิตที่เป็นสมาธิในเมื่อเราจิตใจรวมสงบเพียงแค่นี้ละ่ะมันจำไม่ลืมนะลูกหลานพวกเราประพฤติปฏิบัติมาจะภาคภูมิใจในตัวของเราอย่างมากทีเดียวเราจะรู้จะเห็นได้ด้วยตนเองกายกับใจใจกับกาย ที่มันจะไปเกิดแล้วมันตายที่ไหนร่างกายตายแต่จิตใจออกจากร่างนไปไปเกิดน่าจะถานที่ใดจะเห็นชัดเจนในความรู้สึกนึกคิดของตนเองอันนี้เรียกว่าสมาธิจิตที่เป็นที่จิตที่รวมเป็นสมาธิในเมื่อรวมเป็นสมาธิแล้ว มันก็มีสามระดับอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเดยกล่าควคณิกาอุปจาระอัปปนามันจะนิ่งแต่คนที่เป็นที่เป็นอัปป น, อ ป, ปนาสมาธิเนี่ยจะเป็นได้บ่อยไม่ใช่ของง่ายแต่เราก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องใส่ใจมากถึงขนาดนั้นมันระดับมันสงบระดับไหนอเอาระดับนั้นเพียงติดจิตใจอยู่เนิ่งมันจิตใจไม่ปุ้งไม่ฟุ้งไม่ซ่านไม่หิวไม่หวยไม่กระเสือกกระสน ในเรื่อ ง, งต่างๆจิตใจมันสงบพอสมควรจิตใจนิ่งพอสมควรจิตใจรู้ในตัวของเราไม่ได้ออกไปข้างนอกอจากนั้นเราก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาได้อีกเหมือนกันเรียกว่าวิปัสนาหรือวิปัสจนึกความรู้สึกนึกนึกดูร่างกายของเราให้เห็นเป็นอ สุภาพฏิคูให้เห็นไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องจากเราใจของเราจะต้องจากร่างกายร่างกายจะต้องจากเราแต่ใจเนี่ยไม่อยากจะให้ร่างกายจากห่วงหาอะไรร่างกายอย่างมากๆแต่ถึงยังไงก็ตามใจของเราในที่จริงจนุถนอมเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงร่างกาย ร่างกายนันก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเลี้ยงไม่เชื่องพูดง่ายๆเลี้ยงร่างกายในยเลี้ยงไม่เชื่อเลี้ยงเท่าอื่นเลยอเลี้ยงมากๆดูให้ดีแต่หลายปีหลายเดือนเข้าไปหลายปีเข้าไปเดี๋ยวก็เห็นผมขาวเดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดตาฝ้าฟัาางหนังเหี่ยวผลในสุดก็เน่ไปไม่รอดถึงจุดจอดถึงจุดจบของมันเหมือนกัน อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นอ่าคนแก่เห็นมามากต่อมากเพราะนั้นไม่ต้องบรรยายมากตัวข้าไปเจ้าเองก็จ้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นให้คิดไว้ในใจอย่างนั้นอยู่เสมอเนี่แหละพวกเราคิดไว้อย่างนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทานะท่นเอเพราะอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องไปอย่างนั้นอันไหนคือเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจอันไหนคือสมบัติของเรา ที่จะเราที่จะนำไปสู่ประโลกภายภาคนาเป็นที่อุ่นใจได้อย่างพอใจหรื อ, อยังคุณงามความดีที่เราสั่งสมมานั่นพอหรื อ, อยังเป็นที่อุ่นใจหรื อ, อยังถ้าเราไม่พอใจแต่ยังไม่อุ่นใจเราก็ควรจะเสาะแสวงหาด้วยความขมักขมันตั้งใ่อกตั้งใจภาวนาตั้ ง, อ, งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัต ให้เห็นจิตใจเป็นสมาธิจากนั้นก็เห็นากายเข้าใจใจกับกายจนถึงเห็นอสุภะปฏิกูลเห็นเกิดแก่เจ็บตายเห็นไตร ล, ลักษณ์อนิจังทุกขังอนัตตาอยู่ในจิตใจของเรานั่นแหละทไนอันอนั้นคือเราเดินไปสู่มรรคส่ผลแล้วทไนแล้วก็ดูกายแล้วก็ดูใจแล้วก็ดูใจแล้วก็ดูกาย พิจารณากายแล้วก็พิจารณาดูพิจารณาใจเราจะพิจารณากายอย่างเดียวไม่ได้นะพราะเรื่องของใจเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากามันจะมองไม่เห็นมองผิวเผินจะไม่เห็นนะใจเนี่ยนะถ้าจิตใจไม่ผ่านสมาธิมาก่อนจะมาพิจารณาใจตัวผู้รู้เนี่ยยากมากนะผ่านเอ็นรุกรานนะถ้าว่าจิตใจของเราผ่านสมาธิจิตใจนน่งมาแล้วนะ เราจะมองดูใจคือตัวผู้รู้คือนามธรรมตัวนี้เลยจะมองเห็นได้ชัดมันจะเคลื่อนไหวไปทางไหนกระดุกกระดิกไปทางไหนอหมมันจะออกไปทางไหนสมาธิของเราเนี่ยจะตามจับจะเห็นได้ชัดในเรื่องของสมาธิจิตใจที่เป็นสมาธินั้นก็นั้งขอยพวกเราทุกถูกทันนะ อันนี้ก็คือวิธีการภาวนาวิธีการประพฤติปฏิบัติสรุปแล้วขุมมือมาตั้งแต่ศีลสมรวมกายว่าจะให้เรียบร้อยมันเกี่ยวเนื่องกันมาทั้งหมดเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนเหมือนกับตาแห่ด่างแห่นีมันเกี่ยวเนื่องกันแต่ทียังไงก็ เราได้บวชในพระพุทธศาสนาในคราวนี้ครั้งนี้ก็ขอให้พวกเราให้ได้สัมผัสเรื่องจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจที่เป็นสมาธินี่ยอย่าได้ทะเลาะถ่ยเราหลงไปทางอื่นถ้าจิตใจของเราได้รับสมาธิจิตใจของเราจะเชื่อมั่นและมั่นคง เชื่อมั่นว่าเป็นหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธานี่พระพุทธเจ้าคิดได้ยังไงสอนได้ยังไง ร, รู้ได้ยังไงโอ้โหท่าโลกทั้งโลกถ้าเราไม่ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธาแล้วเราในเสียเสียชาติเกิดแน่เลยมันจะพูดอย่างนั้นในจิตใจของเราในเมื่อเราได้ภาวนาดูแล้วจิตใจเน่งเข้าสู่ความสงบแล้ว เมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วจะรู้เรื่องราวต่างๆได้มากมายทีเดียวเพราะทนี้ ใ, นใจของเรามันปุ่งฟงสารออกนอกกรนอกทางออกทางโลกวัะสงสารสิ่งที่ชั่วกับเป็นดีสิ่งที่ดีกับเป็นร้ายกับเป็นชั่วมันอยู่ในจิตใจของเรานะตลบตะแงลงไม่รู้กี่ตลบถามว่าจิตใจของเรา เป็นสมาธิจิตใจจะรู้แจ้งเห็นจริงมีธรรมมีคุณธรรมในจิตใจจะมองดูรู้เลยว่าอันนั้นคือของเที่ยงอันนั้นคือของไม่เที่ยงอันนั้นใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นทุกอยู่ในโลกอันนั้นมันทุทกพิจารณาเพื่อจะหนี้ออกจากโลกวัสงสารเราจะรู้ได้ด้วยตนเองรู้ได้ตัวของเราเองเพราะนั้นให้พิจารณาดูนะ แต่พิจารณาที่อื่นแตพิจารณาเถอะแต่ละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการพิจารณาร่างกายเนี่ยร่างกายนี่แหละเป็นหินรับปัญญาที่จะให้ปัญญาคมกริบใจของเรามันหลงหลงร่างกายว่าร่างกายเป็นตัวตนของเราใครมาแตะไม่ได้ร่างกายนี่เพราะนั้นพวกเมื่อพวกเราหลงร่างกายพอหลงร่างกายตัวเองหลงอย่างอื่นเลย หลงราบหลงยศหลงชนะเจิญหลงขอบหลงควรหลงไปวัดหลงวัดวาสาสนาหลงว่าตัวเองจะไม่ตายอีกต่างหากเนี่ยมันหลงถึงขนาดนั้นแล้วพระเนรูกหลานทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นให้พวกเราพิจารณาดูดูร่างกายจากนั้นก็พิจารณาเข้ามาถึงมาถึงใจตัวผู้รู้คือตัวนามธรรมตัวได้ตัวการใหญ่ันตัวนี่แหละตัวการ ที่จะให้มันลุ่มหลง ม, ม, มัวเมาในวัฏฏะสงสารตัวนี้อ ต, ตัวใจเนี่ยนะเพราะพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องของใจเนี่ยนะมาในอันดับหนึ่งเลยเป็นการประพฤติปฏิบัติคือการเป็นอยู่ในโลกวัฏฏะสงสารนพระท่านอให้พวกเรามองดูใจของตนเองในเมื่อเรามองดูใจชําระใจกิเลสออกจากกิจใจ โลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วจิตใจเป็นไทยแล้วอา่าจิตใจไม่เป็นเบี้ยร่างของกิเลสแล้วจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วนั่นแหละอา่าสยามภูเรียว่าตัดรู้เรียว่าบรรลุธรรมได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอาหารหันต นั่นละเลิศประเสริฐที่สุดที่ทมาไม่มาเวียนไหวาตายเกิดอีกถ้า น, นอกจากนั้นมาแล้วถึงจะเฉลียวฉลาดจะเป็นด็อกเตอร์กี่ใบกนะ็เถอะนะแอนได้รับประกาศแอนก็ยังอยู่วกวนเวียนอยู่ในโลกวัฏสงสารยังถึงแดนพระนิพพานไม่ได้เมื่อแดนพึงแผนพระนิพพานไม่ได้นะก็นั่นแหละจัดว่าเป็น ผู้ยังหลงโลกหลงทางยังเป็นเสขะเสขะบุคคลเข้ามาเสขะบุคคลนี้คือว่าเป็นผู้ศึกษาจะต้องหาทางออกอยู่เป็นผู้ยังต้องศึกษาอยู่ต้องการเรียนรู้ต้องการศึกษาอย่างนีเว่าเรียกว่าเสขานะนะอ่ะอ่ะเสขานะผู้ไม่ต้องศึกษาคือเป็นพระหรัน เมื่อพิจารณาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอรหันแล้วจัดว่าเป็นพระอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาเจนจบหมดทุกอย่างถ้าว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นถึงจะเป็นพระอนาคามีก็เถอะก็ยังเป็นพระเสขาอยู่ ยังต้องศึกษาพระจักขาคามีก็ต้องศึกษาพระโสดาบันก็ต้องศึกษาถ้าเป็นปุตุชนยังไม่ได้สําเร็จมรรคผล อ, น น, อนนั้นั้นปล่อยปาละเลยไม่ได้ต้องศึกษาอย่างมากทีเดียวเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาพระนักขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายนะบวชมาทั้งทีควรจะภาวนาให้หใจิตใจได้รับความสงบ ใจเยือกเย็นเลยได้รับความสงบแล้วก็พร้อมกันก็อย่าลืมที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเรื่องประวนารณาหนังสือแล้วก็เนี่ยมีอะไรที่พวกเราจะช่วยกันจัดช่วยกันทำที่จะเตรียมการออกพรรษานี้ให้พวกเราทุกถูกทันนะ ต่อไปอีกไม่นานเขาคงจะทำงานโยธากันอีกแล้วนะี่ยประจุตัวจะออกพรรษาทำความสะอาดปัดกวาดมันเป็นอย่างนี้ก็อยู่ในวัดมันหลายเรื่องมากเรื่องทีเดียวนะพาลูกพาลานทั้งหลายแต่ถึงยังไงก็ให้ตั้งอกตังใจทำการทำงานช่วยกันกงานเนี้ยมันไม่ใช่งานของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นงานของวัดวาศาสนา เราเข้ามาเราก็ได้พักผาอาศัยอย่างที่พวกเราเราได้สร้างไว้ไหมเราก็มาได้สร้างเราได้ทําอะไรไว้ไหมเราก็ไม่ได้ทําแต่คนอื่นเขาทําแต่ไม่ใช่เสกษ า, าเป่าพูดฟัดไม่ใช่เกิดขึ้นมาโดยศรัทธาของคนอื่นเราก็ได้มาช่วยมาอยู่พักผาอาศัยของศรัทธาคนอื่นเขาสร้างไว้เขาทําไว้ ในเมื่อเราจะจากไปเราก็ต้องสร้างไว้ทําไว้ที่จะมันเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมต่อผู้ที่จะมาประพฤติธปฏิบัติธรรมนี่แหละพุทธศาสานามันต้องสืบเนื่องกันดูแลกันเนี่ยเป็นธรรมนะลูกหลานนะทางว่าพวกเราต่างกฎต่างอยู่ต่างคนที่ต่างไม่ มีการไม่มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันวัดวาศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรและจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรหลวงพ่อเขาเหมือนกันหลวงพ่ออยู่นะไม่ใช่ว่าต้องมองดจูจะช่วยกันยังไงจะทำยังไงกับวัดวาศาสนากับทุกคู่ทุกคนที่เขามาเกี่ยวข้อง นัะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพวกเรารู้ไหมหลวงพ่อรู้ไหมสะดวกสบายรู้เต็มใจแต่ว่าเราจะไปเห็นแต่การสบายของตนเองอย่างเดียวนะเราก็ต้องไปอยู่คนเดียวห่างไกลจากหมู่พกเพื่อนแต่เอาเถอะขนาดหลวงพ่ออยู่มาอยู่ห่างไกลถึงขนาดนี้ก็มีศรัทธา ญ, ญาติโยงก็มาเกี่ยวข้อง อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเราจะทำยังไงเราจะไปที่ไหนอีกล่ะ เ, เราก็ต้องช่วยกันสู้กันพัฒนากาน เ, เป็นไงช่วยกันผ ล, ลไม้คนมือตั้งอกตั้งใจภาวนาหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงยังไงก็ในจิตใจโ่วนลิศของพวกเราขอจะได้บาวเวียนไหวตายเกิดดี ถ้มาเวียนไหวตายเกิดอีกเลยอย่างนี้แหละมันหลีมันหนีไม่พ้นเดี๋ยวก็หามไปเผาไฟทิ้งอย่างเมื่อวานมา่ก่อนเดี๋ยวก็หามมาทิ้งเดี๋ยวก็เผาไฟทิ้งอยู่อย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งเขาก็จะหามเราไปทิ้งอีกเหมือนกันเผาไฟทิ้งเหมือนกันอทําให้เผาไฟทํายังไงได้มันเหม็นนะก็ต้องเผาไฟทิ้งนี่แหละทันนี้ผมพวกเราคงเหมือนกันนั่นแหละทุกคนนะ อย่าลืมตัวอย่าลืมตัวประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุรณกุศลเอาไว้ประกอบคุณงามความดีเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกท่านให้ความสำคัญเรื่องจิตใจหลักธรรมคำสอนของพุทธะเลยท่านให้ความสำคัญเรื่องจิตใจมากกว่า ส่วนร่างกายส่วนร่างกายเนี่ยถ้าถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมันจะต้องถึงจุดจบของมันอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าแต่ไม่รู้วันไหนล่ะแต่จิตใจมันก็มีจุดจบเหมือนกันถ้าเราภาวนาจุดจบของใจก็คือนนะัไม่มาเวียนว่ายตายเกิดคือจุดจบของใจอก่อนที่จะจุดจบของใจนะั้ไม่ใช่ธรรมดา เราต้องภาวนาเห็นอะไรทุกงทุกข์ังหน้าตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพน้นรู้แจงเห็นจริงทุกอย่างมองดูมุมไหนคําว่าสุขความว่าสุขความสุขเท่าเม็ดงาคาลิ้นหลวงปู่ลาว่าสับของหลวงปู่ลาถ้าเรายัางมองเห็นว่าโลกใบนี้มีความสุข เท่าเม็ดงาขาลิ้น เ, เราจะไม่มีโอกาสที่จะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงแดนถึงพระนิพพานได้ถ้าหากว่าเราเห็นความทุกทุกอย่างคำว่าสุขแม้แต่น่อยเดียวในจิตในใจของเรามองตัวั้นคือสุขเราเห็นขนาดนั้นแล้ว น, ะนั่นละใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลาย จิตใจก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่หมาเวีไหว้ตายเกิดในวัะสงสารเป็นอนันตการพราะเบือ่พอพราะเบือ่อเสร็จแล้วก็นหน่ายแล้วก็คลายใจิตใจก็คลายจากนั้นก็หลุดพ้นแต่พวกเราท่านทั้งหลายเบื่อเบื่อยากอยากมันยากอยู่เนเบื่อคนดูเบื่ออยู่ในระดับหนึ่งแต่จะนั้นมันก็อยากอีกพออยากแล้วก็ติดอีกพออยากแลเพ้นก็นเบื่ออีก พอเบื่อเรจแล้วก็อยากเอกก็เลยเบื่อเบื่ออยากอยากจุดนี้แล้วทำให้จิตใจของเราไม่เห็นโทษอ่าจิตใจของเราก็เลยติดอยู่ในโลกวัตะสงสารออกไปถึงพระนิพพานไม่ได้ปัญโขยพวกเราทุกทูกทันนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังหลายแง่หลายมุมหลายแนวความคิดให้พวกเราชี้ประเด็นน้นเปยังไงชี้ประเด็นนี้ไปยังไง ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในเมื่อพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วหลวงพ่อเองก็มั่นใจต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานเป็นผู้ใหญ่ได้ ว, ว่าเป็นผู้คงแกเรียนแล้จะอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติหลวงพ่อบอกสีประเด็นให้ฟังคิดว่าไม่ผิดกันแล้วกันสีประเด็นให้ฟังให้พวกเราเมีสติมีปัญญาเป็นแนวความคิด ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามแนวแถวของพระธรรมคำสอนของพรพุทธเจ้าลกล้วคอยพวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจเนอะภาวนาเนะาออ่ะต่อนี้ไปก็นั่งสมาธินะานนี้นะเวอีกสักทวารยะหนะึ่งลุงพอจะบอกเอาออกจากสมาธินะยังไงเลิกลากัน